เวทนานุปสัสนาการพิจารณาเวทนาพิสุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขรมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขธมสุขเวทนา เมื่อสวยสุขเวทนาที่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาที่มีอามิ t h เมื่อสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิ t h เมื่อสวยทุกเวทนาที่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกเวทนาที่มีอามิ t h เมื่อสวยทุกเวทนาที่ไม่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกเวทนาที่ไม่มีอามิ t h เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิตรเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอา mith ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิ t h ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่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 และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างนี้แหละจิตตานุปัสสนาจบธรรมานุปัสสนาการพิจรารณาธรรมหมวดนิวรณ์ พิสูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างไรคือพิกสุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรห้าอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรห้าอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เมื่อกามฉันทะความพอใจในกามภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่ากามฉันทะภายในของเรามีอยู่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 จะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 3. เมื่อถีนมิทะความหดหู่และซึื่อมสืบภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าถีนมิทะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อถีนมิทะภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าถีนมิทะภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งถีนมิทะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น การละถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและถีนมิทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 4. เมื่ออุทธธจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่จจานและร้อนใจภายใน ม, มีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุทจจะกุกุจจะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่ออุทจจะกุกุจจะภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่า อุทจจกปุกุจจะภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งอุทจจกุกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละอุทจจกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและอุทจจกปุกุจจะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 5. เมื่อวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่าวิกิกิช้าภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อวิกิกิช้าภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิกิกิช้าภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งวิกิกิช้าที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละวิกิกิช้าที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและวิจิกิช้าที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น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 ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าท ร, ร ม, มีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญยานเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือ น, นิวรห้าอยู่อย่างนี้แหละหมวดนิวรจบ ทำมนุปัสสนาหมวดขันภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าอยู่ว่าหนึ่งรูปเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปเป็นอย่างนี้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 ทั้งทำเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าทำมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปาทานขันห้าอยู่อย่างนี้แลมวดขันจบ ธรรมานุปัสสนาหมวดอายตนะภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายใน6และอายตนะภายนอก6อยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายใน6และอายตนะภายนอก6อยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รู้ชัดตารู้ชัดรูป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 สังยโยชดใดอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้นเกิดขึ้นก็รู้ชัดสังยโยชนนั้นการเกิดขึ้นแห่งสังยโยต์ที่ยังไม่เกิดขึ้ น, ม, y, น, นมีได้ด้วยเหตุใดก็ร <mag cha. S 1> ู้ชัดเหตุนั้นการละสังโยชต์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและสังโยน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 4. รู้ชัดลิ้นรู้ชัดรส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 ทำรร ม, มานุปัสสนาหมวดโอชงภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชงเจตอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชงเจตอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเมื่อสติสัมโอชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าสติสัมโอชงภายในของเรามีอยู่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 ธรรมวิจยะสัมโพชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อธรรมวิจยะสัมโพชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชงภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งธรรมวิจยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 3. เมื่อวิริยะสัมโพชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อวิริยะสัมโพชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชงภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งวิริยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งวิริยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น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 หาเมื่อปัสสติสัมโพชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าปัสสติสัมโพชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อปัสสติสัมโพชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าปัสสติสัมโพชงภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งปัสสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งปัสสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้ว มีได้ด้วยเหตใ د, ุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 6. เมื่อสมาธิสัมโพชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อสมาธิสัมโพชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชงภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งสมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น และความเจริญบริบูรณ์แห่งสมาธิสามพโอชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 7. เมื่ออุเบกขาสามพโอชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสามพโอชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่ออุเบกขาสามพโชงภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสามพโอชงภายในของเราไม่มีอยู่ <i> การเกิดขึ้นแห่งอุเบกขาสามพโอชงที่ยังไม่เกิดขึ้น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 ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือพ่ชงเจตอยู่อย่างนี้แหลหมวดพ่อชงจบภาณวาระที่หนึ่งจบธรรมานุปัสสนาหมวดสัจจ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 รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามมนีปฏิปทาทุกขัสั จ, จะนิเทศทุกขอเรียสัตเป็นอย่างไรคือชาติความเกิดเป็นทุกข ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์โศกะความโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัความทุกข์ใจอุปาญาตความคับแค้นใจเป็นทุกข์การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพลากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่อ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 ความมีหนังเหิ่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชรามรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปความทาลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมรรตยูการทำการละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกาย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 ปริเทวะเป็นอย่างไรคือความร้องไห้ความคร่ำครวญกริยาที่ร้องไห้กริยาที่คร่ำครวญภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่คร่ำครวญของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเคทแทงทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปริเทวะทุกเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางกายความไม่สำราญทางกาย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 คือความแค้นความคับแค้นภาวะที่แค้นภาวะที่คับแค้นของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเคแถแทงทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอุปายาต